สิ่งใดก็าตามในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะบริสิกและประเสริฐยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรเหนือธรรมนั่นเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ได้ประเสริฐเพราะอะันใดใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วกรเสริและแต่สุดส่วน ไม่เหตประเสริฐในสมมุติที่เสียสันพันยอกันขึ้นแต่ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติของธรรมกับใจซึ่งกลมคืนเป็นอันเดียวกันแล้วแม้จะอยู่ในขันทรงขันอยู่ก็ต า, ามใจที่บริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่ในตัวโดยอิสระซึ่งสมมุติมีขันเป็นต้นไม่เข้าไป เกี่ยวข้องได้เลยเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วพระเมตตาสุดส่วนพระอำนาจแห่งธรรมเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดกับโลกพระทยที่สัมผัสสัมพันธ์หรือคมคูลกันกับทำแล้วจึงเป็นพระไทยที่อ่อนโยนที่สุดไม่มีอะไรที่จะอ่อนยิ่งกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ เข้าได้ทุกตัวตัดแทกทุกเม็ดหินเม็ดตายถ้าพูดถึงเรื่องความไม่ตาก็ดีไม่มีอะไรเข้ามาเปลี่กแผงเลยก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เมตตามุ่งสงเคราะห์โลกให้มีความร่มเย็นเป็นจุตุตามกำลังของเขาที่จะรับได้มากน้อยแต่ส่วนตามกำลังของท่าน ที่จะแสดงได้มากน้อยนั้นเราไม่อยากพูดเพราะท่านพูดถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีที่อัดอั้นเละในการที่จะสงเคราะห์คนด้วยอาดด้วยทำเพราะในพาไทยและใจของท่านถ้าเราพูดเป็นภาษาลโลกโลกเรียกว่าอัดแน่นและด้วยทำไม่มีช่องโห่เลยถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าเต็มถังพาเปิดเท่านั้น น้ำก็แตกกระจายออกมาอา้าวใครจะใช้สอยอาบดื่มเท่าไหร่ใช้ได้ท้งนั้นและไม่มีหมดไมสิ้นด้วยนอกจากขันที่เป็นเครื่องมือนำออกใช้ประกาศสาปน้าทำแก่โลกนั้นจะไม่อำานยเพราะขันนี้เป็นสมมุติจึงต้องเป็นไปตามสมมุติ สะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างส่วนพระไทยหรือใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นไม่มีความบกคร่องด้วยธรรมแม่นิดถึงหน่วยด้วยเหตุนี้การแนะนําสั่งสอนจึงสั่งสอนด้วยความเป็นธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพระเมตตาและเมตตารุน่นล้วนต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระไทยและใจของท่านที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนั่นเอง ใครจะสามารถสั่งสอนอัดสอนทำให้ถึงความจริงอย่างสุดส่วนได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระหันท่านผู้บบิสุดแล้วไม่มีและไม่มีโลกามิตใดที่จะเข้าไปเคลือบแสงในความเบิสบุดนั้นได้เลยจิงๆเห็นได้เวลาพระพุทธเจา้าประกาศศาสนธรรมจะเริ่มประกาศศาสนธรรมเบื้องต้น ในทรงเรียงเรียงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดที่จะสามารถได้บรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมดเบื้องต้นก็ทรงทราบดาบททั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในเบื้องตน้นก็ทรงทราบด้พระยานในขณะนั้นว่าได้ สิ่งชีวิตไปเสร็จแล้วดานั้นก็จงเลง ย, ยานต่อไปก็มาพบเป็นจักรีทั้งหางจึงเสด็จไปโปรดเป็นจักริีทั้งหานี้ก่อนอีกแม้จะรับคำคัดค้านต้านทานกับการใดจากเป็นจักริีทั้งหานี้ก็ตามพระองค์ไม่ทรงสนประทัยกับเรื่องปะป่าลกูลก เกิดขึ้นจากความสําคัญมั่นหมายของท่านเหล่านั้นเลยแต่ทรงประกาศความจริงคือทำอันบริสุทธิ์ล้นล้วนให้ท่านเหล่านั่งได้ฟังของจริงกับของปลอมยอด บ, บีน้ําหนักต่างกันอยู่มากความรู้ความเห็นของเบญจบพีที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงหยุดในการอดพระกาหารแล้วกลับเสวยพระกาหารแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไร ขนาดที่ทำถึงเช่นนั้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมเมื่อกลับมาจเจอยพุยาหารแสดงถึงความเป็นผู้มากๆแล้วจะกจะัดจะรู้ธรรมได้อย่างไรนี่เป็นคำคัดค้าน ข, ข, ของเป็นตระกับีทั้งห้าแต่พระองค์ไม่ทรง <c oughs> ถือสิ่งเหล่านั้นเป็น สิ่งสำคัญพอจะเป็นอุปสรรคต่อการประทานเทาวาหรือผลท่านเหล่านั้ น, นพ้นจากทุกในขณนะนั้นจึงทรงสแสดงขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคําที่ว่าเราจ ะ, จะถากดได้ต ร, รัสนรู้ธรรมโดยสมบูรณ์แล้วนั้นท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วหรือตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กับท่านทั้งหลาย แล้วบัดนี้เรามาพูดเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะสนใจฟังเราจะแสดงความจริงให้ฟังพอท่านเหล่านี้นับว่ายังไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินก็ให้พึงตั้งใจฟังจะแสดงทำที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายฟังก็ทรงแสดงธรรมจะกลับปวัตตนสุข มีการมาดูขันมีการในโยกอัตติลมัฐานุโยกการพูดตนโดยความย่อหย่อนหรือหย่อนยานไปเสียจนไม่มีอะไรจะเกิดผลขึ้นมาได้และการปพฤติตัวเข้มงคัดแต่หาเหตุผลพอที่จะเกิดขึ้นกับความเคร่งคัดนั้นไม่ได้ก็ไม่ใช่ทางทั้งสองอย่างทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่มาแตกท่านทั้ท ง, ทงหลายเหล่านั้นได้ทราบเป็นลำดับลำดาจนพระอัญญาโคนัญญาได้รู้จริงเห็นจริงในอริยภูมิเบื้องตน้นคือพระโสดาแล้ว อ, อกปูธานว่ายังจริงจีตสมุดไดยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมัง สิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นในปริญาท่านบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพล้อย่างนั้นไม่เน้นหนักสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีที่จะตกค้างอยู่ได้โดยความไม่แตกดับต้องแตกดับไปด้วยกันทั้งนั้นความจริงบีบบังคับอยู่แค่ น, นี้ จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลัคณาสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่นเข้ามาย่นเข้ามาทั้งแสดงทึงเรื่องอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันของขันหานี้โดยลำดับจนกระทั่งยังเข้าสู่จิตผู้ยึดมั่นถือมั่น ในขันทั้งหลายโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าให้พลุงพลังแบบพบแบชาากแบบความเกิดแบกเจ็บตายไม่มีที่ที่สุดจุดหมายปราทางเพราะความหลงในทากในขันความยึดความถือในท่านในขันเป็นความพลุงพลังทั้งการแบกหามภาดขันด้วยอุปทานทั้งที่เหลยดซึ่งฝังอยู่านจิต ก็ยึดเป็นอุปทานว่าเป็นตัวของตัวโดยสายเดียวอันเป็นความผิดด้วยการทั้งนั้นมาได้ทรงแสดงย้ำลงไปในเรื่องนี้ <c oughs> อันนี้จังทุกขังอต า, าพูดย้ำลงไปในขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารยืนยนันทั้งอดีต ท, ที่เคยเป็นมาก็เป็นอันนี้จังทุกขังอต า, ามาโดยลําดับเช่นนี้ทั้งอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้า ก็ไม่พ้นจากหลักแห่งอนิจจังทุกขังนาตาจะต้องบีบบังคับการหลักธรรมชาติของมันและแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องขันต่างหากก็ดําเนินตนด้วยอนิจจังทุกขังนาตาไม่มีการลดละเรายังจะทํมพ์ขันมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เรอเพื่อจะมาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตร ล, ลกักเป็นอนิจจังทุกขังนาตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา รู้ย่างนี้นจริงด้วยปัญญาจนปัญจาวิคีทั้งหา้าสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นสุดวิมุติพระนิพพานได้ในขณะที่พระองค์ประทานอนัตตลกนณสสูตรลงอย่างถึงใจและคำว่าถ้ามาจับ ก, กับทวัฒนสูตรก็ดีอนัตตลกนณสูตร ก็ดีซึ่งทั้งหแล้วจ ะ, สสะแสดงลงในธาตุในขันในใ จ, จิตใจของสัตโลก็ทั้งหลายเราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาในจํานวนสัตโลก็ทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันธรรมก็เป็นธรรมที่จะที่ทรงชี้แจงให้ถึงความจริงดังขัง้งพุทธการท่านเหมือนกันแต่ทําไมจิตใจเรามัน จึงละหรือจึงรู้สิ่งเหล่านี้ไมาได้แล้วละสิ่งเหล่านี้มาได้มันเป็นก็เหตุใด น, นี่เป็นสิ่งที่เราจะวินิจฉัยในตัวของเราเองด้วยการพิจารณาอย่างน้อยก็พอมีหลักยุทธนานจิตใจเป็นการเจ็บไข้โดยป่วยที่ปรากฏขึ้นมาก็ให้ทราบว่าการเจ็บไข้เป็นสภาพปันหนึ่ง ที่เกิดขึ้นภายในขันแต่ขออย่าให้เกิดขึ้นภายนจิตเพราความหลงหลงมงายไปตามมันก็แล้วกันจะกลายเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาคือโรคในขันเจ็บมีเจ็บพร้อมปวดทีะ่ะเป็นต้นโรคในจิตก็คือความเสีย อ, อกเสียใจอยากให้มันหายเป็นไปตามใจชอบความอยากนั้นมันเป็นตันหา <c oughs> เมื่อมันมีสาเหตุที่ควรจะหายได้มันหายไม่ได้ถึงจะอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งมี เพิ่มความหิวโหวยเพิ่มความกังวลกวนกวายมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นโรคภายในจิตใจขึ้นมาอีกเป็นโรคสองชั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจรารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันอย่างน้อยก็มีหลักใจเป็นที่ยึธเวลาทุกเกิดขึ้นในขันมากๆนี้มันจะเหมือนกับว่ากองไฟทั้งกองอะ ในรูปกายของเราทั้งหมดไม่เพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่เรานั่งภาวนานานๆหลายชัวงง่วโมงมันก็แสดงความเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเจ็บนั้นปวดนี้นั่นแหละเรียกว่าความเจ็บป่วยของขัน อ, อวัยวะทุกส่วนเหมือนจะแตกพลายลงไปในขณะนั้นจะไม่มีชิ้นใดติดต่อกันเลยเป็นภัย ไปหมดทั้งกองในกองแห่งขันผู้ต้องการความจริงก็ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องรูปกายเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายเกิดขึ้นจากส่วนไหนตลอดถึงจิตพิจารณาแยกแยะให้เห็นทั้งอาการของกายที่ส่วนที่ว่ามันเป็นทุกข ทั้งทุกเวทนาที่มันตรากดอยู่ภายในอาการนั้นทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บเราปวดจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งในอาการของธาตุของขันนั้นนั้นทั้งเวทนาขัน ก็ทุกแต่ว่าทุกเท่านั้นแม้ทุกเองก็ไม่มีความรู้สึกและความหมายในตัวเองเลยร่างกายส่วนที่ว่าเป็นทุกนั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกขเขาไม่มีความหมายในความเป็นทุกของเขาเลยสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตผูกไปเหมาว่านั้นเป็นทุกนี่เป็นทุกจึงมาแ บ, บกวามทุกอยู่ภายในจิตใจของตน นอกจากแบบกองทุกภายในขันแล้วยังมาแบบกองทุกความกวนววายภายในจิตใจย่งต้องได้แยกแยะเห็นจนกระทั่ง <Yeah. S 2> เห็นกันอย่างชัดเจนรู้กันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญา <Yeah. S 2> ผู้ปฏิบัติ <Yeah. S 2> เมื่อไม่ละสติปัญญา <Yeah. S 2> ขณะที่เข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตหรือระหว่างขันกับโรคที่กำลังจุนลมูลวุ่นวายกันนั้น ทัติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหาความจริงทั้งหลายซึ่งกําลังตรากกดคุณลมุนุลาอยู่เวลานั้นจนปรากฏความจริงขึ้นมาทุ ก, ก็ไม่เห็นมีอํานาจอันใดที่จะมาบีบบังคั บ, บจิตใจได้ขันก็ไม่มีอํานาจอันใดที่จะมาบีบบังคั บ, บจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามได้จิตก็เป็นความจริงรูดตัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหนวดสุดท้าย กายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเสียทุกก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาตามหลักอริยสัจายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็หาความกระทบกระเทือนกันไม่ได้เมื่อไม่ไม่มีสิ่งกระทบกระเทือนกันแล้วก็เรียกว่าสันติสุขคือความสงบสบายภายในจิขันจะเป็นต่อไปก็ก็เป็นไม่เป็นทุกขเวทนาก็ระงับดับลงไปมันดับลงไปก็ก็ไม่เห็นว่าอะไร มันจะยังทรงตัวอยู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเพราะทราบแล้วว่าขันธ์ไม่ใช่เรานี่ตามหลักความจริงแห่งการที้แจงและใจก็มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนเวลาใดสถานที่ใดเป็นที่นที่ตรงไหนเราแน่ใจแล้วว่าจิตเป็นหนึ่งต่างหาก จากร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่เป็นอันอันเดียวกันแล้วเราย่อมไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรียกพระจิตมีหลักถ้าไม่มีหลักอันใดผิดปกติบ้างเล็กน้อยภายในร่างกายนี้จิตจะต้องไปแบกภาระหามภาระนั้นแล้วกวาดพามหนักห่วงทวงจิตใจหรือบีบคั้นจิตใจเข้ามาสู่ตัว ตายเลยเป็นกองทุกข์อันใดหลวงยิ่งกว่าโรคที่เกิดขึ้นภายนกายเสียอีกนี่เป็นความไม่รอบคอบท่านจึงสอนให้รอบคอบในสิ่งนี้การปฏิบัติธรรมะเพื่อพาความสงบใจเป็นได้หลายาถักถึ้นทางบริกรรมก็เป็นทางอนุโลมเพื่อใจให้สงบ ก, การพิจารณาค้นคว้าด้วยสติปัญญา ในเวลาจนกรอบจนมุมเช่นโรคภยครัยไข้เจ็บหรือความเจ็บปวดแสบร้อนเกิดขึ้นภาณในร่างกายพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพเหล่านี้เรียกว่าปฏิโลมคือคลิกกลับเป็นการต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเมวลารู้ก็รู้อย่างถึงใจและองอาจก็หารตลอดวันตายไม่มีการระทกสะทานต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลาย ทอดจิตได้อย่างถึงความจริงแล้วไม่มีวันถอนเรียกว่าอัจฉระศรัทธาเชื่อความจริง <c oughs> อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> แม้ขราวต่อไปจะไม่จะพิจารณาไมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เคยพิจารณามามาแล้วกว็าตามในบางครั้งก็ไม่เสียใจและไม่ถอนความเชื่อที่ฝังลงสู่ความจริงนั่นอย่างแน่นหนามัม่นคงแล้ว <c oughs> การปฏิบัติเป็นอย่างไรเราได้ยินแต่ครั้งพุทธการว่าถ้าสาวกปฏิบัติตามพระวจนะของพระพุทธเจ้าอยู่ในสฐานที่นั่นที่นั่นนั้นบรรลุมรรคผลอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ใ น, นสมัยทุกวันนี้ทําไมนัม่นจึงขัดแย้ยงกันไปเสียทั้งหมดเหมือนกับศาสนธรรมของพระเจ้าขัดแย้ยงในตัวเอง ความจริงสาธานธรรมก็ออกมาจากสุขคารธรรมที่ตรับไวชอบแล้วตั้งแต่น้นจนกระทั่งบัดนี้มันมีเคลื่อนคาดแต่ประหลาดอันใดเลยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันที่มันเคลื่อนคาดที่มันก <c> ล <oughs> ับสลับกันก็ความรู้สึกความนับถือศาสนาการประพฤติปฏิบัติศาสนาความรู้ความเห็นของคนผู้เกี่ยวกับศาสนา พลิกกางเปลี่ยนแปลงมาตามน้าทของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้คํานึงถึงหนักถึงทำในแง่หนักเบาประการใดด้วยความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมนั้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในแง่ต่างๆของชาวพุทธเราจึงมักจะเป็นค่าสุดต่อสาธรธรรมอยู่เสมอเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและยิ่งจะเป็นไปข้างหน้านั้นมากมายอากาศก่อนเพราะคำรู้ความเห็นนั้นเป็นเรื่องของกิเลส ออกมาจากความชอบใจของตัวเองเอาสุดท้ายก็ออกมาจากความโลภความอยากนี้มันเหยียบย่ำทําลายตัวเอ้าศาสนาเป็นสิ่งที่ทาละกิเลสให้เบาบางนี่ตามหลักทำทำอันเป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะสอนคารวะไม่ว่าจะสอนพระไม่ว่าคารวะจะปฏิบัติไม่ว่าพระจะปฏิบัติ เป็นรอยเดียวกันคือเพื่อชำระสะสางกิเลสที่มีอยู่ภายนิให้ได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาตรู้วิธีละถอนในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นออกจากใจของตนไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของตนไม่มีการสั่งสม อันเป็นการการสังสมที่เลวอันเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพุทธเจ้าและเป็นฆ่าศึกต่อศาสนาธรรมในขณะเดียวกันด้วยแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นสุวนี้ดูเอาเพราะตามีหูมีทุกข์ความรู้สึกมีทุกคนพอทราบได้มองดูได้ตาก็รู้ ฟังด้วยหูก็เข้าใจยิ่งคิดทางใจแล้วทําไมจะลี้รับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกจากบุคคลแต่และคนและคนที่แสดงออกมาจะไม่สัมผัสทางด้านจิตใจจะไปสัมผัสที่ไหนจะต้องเห็นอยู่นั่นเองแม้ในวงปฏิบัติผู้ตั้งใจจะพึ่งปฏิบตัติตามขั้นละเอียดของธรรมหรือขั้นละเอียดของกิเลสมันก็ต้องมีแทรกอยู่โดยดีนี่เราพูดถึงขั้นหยาบต่างหาก ทันละเอียดก็มีหักมีสอดมีแทรกเป็นค่าศึกกันอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะพิเลศกับทำเป็นค่าศึกกันมาแต่การไหนไหนจะไม่เป็นค่าศึกต่อผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเมื่อเผลอตัวเมื่อไะไรพิเลศก็เข้ามาแทรกพิเลศเข้ามาแทรกเมื่ออะไรจิตใจก็เสื่อจากทำเห็นนั่งภาวนาอยู่จิตก็เสือจากหลักภาวนา พิจรารณาอันเป็นอัตเป็นธรรมอยู่ก็เสียจากความเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกไปหมดเสียนะเพราะที่เหลสมันมีอำนาจอยู่แล้วไม่ยอมลดตัวลงท้าอำนาจของธรรมอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระโลกอรหรันต์ท่านเท่านั้นผู้ที่หนึงอที่เลสได้โดยสิ้นเชิงมีธรรมเต็มเปี่ยมในพระทัยและใจของพระสาวกทั้งหลาย ใจเป็นพลังเต็มที่ด้วยอัจด้วยทำไม่เป็นพลังเหมือนอของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนใจของสามันชนทั้งหลายเต็มไปด้วยพลังของกิเลสความโลภก็เต็มหัวใจความโกรธก็เต็มหัวใจความหลงราคาตัมหาเต็มอยู่ที่ ห, หัวใจเพราะฉะนั้นการละไมยออกทางมารยาทกิริยาอาการภายนอกจึงเป็นไปตามอำนาจ ของหัวใจที่บรรจุไว้แล้วด้วยยาพิษทั้งหลายมีโรคโกรหลงเป็นต้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนเมื่อยาพิษมันสังจมอยู่ภ า, ายในจิตใจแล้วเช่นนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเข้าซักพอกชำระหรือขับไล่สิ่งที่เป็นพิษนั้นออกไปโดยลำดับลำดับทำได้แทะเข้าไปแทะเข้าไป เมื่อทำเียมนาจมากเข้ามากเข้ากิเลสต้องถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปเนียมนาดมากเขาทำเนียมนาดมากอย่างายใจก็ยิ่งมีความสุขความสว่างกระจ่างแก้งมองเห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจด้วยสติปัญญาเนื้อก็ยิ่งนับวันจะถอดถอนออกไปเรื่อย ๆ, ๆ จนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่ายาพิษที่เคยติดตมอยู่ภายในจิตรหรือสังจมอยู่ภายในจิตหมดไปโดยสิ่นเชิงเหลือแต่ทำล้วนลวนั่นแหละท่านว่าทำอัศจรรย์หรือใจอัศจรรย์อัชจรรย์ที่ตรงนั้นเมื่อหมดสิ่งที่เป็นพิษภัยอันเป็นสิ่งที่ตําห้าเหลี่ยมตามสประตกโสบมมทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นใจที่บริกเบิกขึ้น พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ภาสาวกท่านเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งสวดคาตธรรมนี้แลยนำไปชำละนำไปป ร, ปรากรามที่เลสทั้งหลายจนสิ้นซากไปจากจันเราก็เป็นผู้หนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาตามหลักศาสนาธรรมซึ่งควรพยายามทําความรู้ความเห็นของตนให้เป็น ไปตามหลักแห่งส่วขาตธรรมอย่าให้ขัดแย้งทำหรือเหยียกย่ำธรรมเพราะอำนาจของจิตโดยความมีเจตนาก็ดีหรือความรู้เท่าไมา่ถึงการก็ดีให้ใช้ปัญญาสอดส่องจะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความผิดความถูกซึ่งมันเครือแฝงกันมาแต่พระเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนาถึงเรื่องสติกับปัญญาพระพระ อ, องค์ เป็นจอมปราบฉลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งสามสาบวกทั้งหลายก็เป็นจอมปราบเช่นเดียวกันสามารถฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนได้ทั้งทั้งที่โลกทั้งหลายเที่ยวกอบเที่ยวโก่อยเอามาเผาลนุนตนเองแต่ท่านถอดถอนออกจนหมดไป คำว่าจอมปลาดหมายถึงตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นเป็นจุดแห่งภัยทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่นี่เชื้อแห่งทุกข์ที่จะไปให้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีที่ฝุดก็อยู่ที่ตรงนี้และโลกมี่งไสามารถที่จะรู้สามารถที่จะรู้วิธีประพฤติปฏิบัติกําจัดิ่งอนนี้ออกจากใจยากที่จะรู้ได้ พระพุทธจ้าแล้วสาวกรู้ได้ด้วยอถอนได้ด้วยแล้วพ้นจากทุกโดยสมบูรณ์ด้วยความพลุมพลังเพราะความเกิดแสกเจ็บตายสุดต่อแข น, นกันไม่มีที่สิ้นสุดจนหานเงินตนเงินปลายไม่ได้เหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่ภาณจิตใจท่านเลยตั้งแต่ขณะจิตที่ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอันว่าตัดปัญหาเรื่องสาชา คือความกิดแกบจิดตายตั้งแต่ขณะนั่นไปยังเหลือก็ยังเหลือแต่เศษเดนของวัตจักที่เป็นีิบากได้จะท่าขันอันนี้ซึ่งเป็นผลของกิเลสพาให้เกิดขึ้นก็จะตายเฉพาะอันนี้คือเป็นผลของมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วส่วนพบใหม่ที่จะก่อพบปอดท่าอีกเป็นอันว่าได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ภายในจิตใจและรู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนไม่สงสัยด้วยนัตถีดานิปุนัพภวบัตินี้ความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วเพราะสิ่งเชื้อที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติหมดแล้วนะ่ะเี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่จะทราบได้ภายใ น, นใจิตใจเพราะใจเป็นนักรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหนือใจแต่ได้เป็นแต่เทียงว่าใจยังไม่ฉลาด ในแนวทางที่จะให้รู้ถูกต้องตามหลักความสรินเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมค ำ, ำสอนของพระเจ้าอันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเดินเครื่องมือนั่นคือสิ่งทำละซักพ่อทางเดินก็คือนํนำเนินไปพวกความบุดค้นโดยความชอบธรรมนี่เราเป็นสิท์ที่มีครูพระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของเรา ธรรมะไม่มีบทใดบาทใดเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันดั้งเดิมวิเลศก็มีวิเลศประเภทใดจะเปลี่ยนแปลงความจริงไปจากหลักดั้งเดิมของเขาพอที่จะหาหลักทำใหม่มาแก้ไขดัดแปลงหรือซักพอกถอดถอนตัางิเลศก็เป็นประเภทอันเก่าอันดั้งเดิมมั่นแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลกก็เป็นโลกอยู่ตามเดิมโปรดหลงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ เหมือนที่เคยเป็นมาแล้วแต่การไหนๆอนนานาจแห่งความดีทั้งหลายที่เรานําไปแก้ไขหรือปราบปรามชำระสิ่งที่โกรก ป, รก ป, รปลวกกบลังทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมมันถูกต้องดีงามมาดั้งเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัด ร, รมและที่เหียดตัวใดใปรับกันเข้าถูกต้องเพราะมันถูกต้องกันอยู่แล้วการแก้กิ่เหลือก็แก้ด้วยธรรมครั้งก่อน ทั้งพุทธการก็แก้ด้วยธรรมไม่ได้แก้ด้วยอะไรทำคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับที่เลทุก ป, ประเภทไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้แล้วนํานี้ม า, าปฏิบัติกรรมจัดที่เลจะต้องดุจลอยกันได้เช่นเดียวกับครั้งทุทธการไม่มีที่สงสัยเราพูดถึงเรื่อง ความสิ้นสุดนิหมดันเป็นผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ต่างอันหน้าแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างไว้เหล่านี้มาก้อยจะเป็นพลังของจิตใจเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารจะไปพบใดชาติใดคนที่มีบุญไปเกิดย่อมต่างคนที่มีบาปอยู่มากมาย เช่นยกัคนจนกับคนมีเดินทางคนจนต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดคนอดคนหิวทุกแง่ทุกมุมที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยปัจใจเครื่องใช้สอยอะไรขาดขาดเ ข, ข, ขินๆระบบฟ้องฟ้องๆซึ่งเป็นสิ่งที่นํามาแห่งกองทุกทั้งหมวลแต่คนที่มั่งมีไม่เป็นเช่นนังไปที่ไหนสะดวกหมดเพราะมีแก้วสารพัดนึกอยภายใน ในตัวในแก่สมบัติเงินทองอันเป็นเครื่องสนองความต้องการมีเป็นข้อเปรียบเทียบสำหรับเราอยู่ในโลกหรือเดินทางไปไหนมาไหนคนจนกับคนมีนั้นมีความต่างกันอย่างนี้อย่านั้ในการท่องเทีย่ยวในวัดต่างสงสารก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยเหตุ น, นี้คุณ ง, งามความดีซึ่งเป็นอัตตาสมบัติอันที่จะเป็นที่พึ่งของเราใน พบชาต์ในการต่อไปซึ่งเรายังมีพบชาติอยู่จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญเพื่อความจาเป็นจะได้อาศัยไปทุกพบทุกชาติจนกระทั่งอำนาจวัฒนาแจกกล่าเพราะการบำเพ็ญผลงานความดีนี้อยู่โดยสม่ำเสมอและหยุดพ้นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอั น, นาจแห่งทุศนทั้งหมด จากนั้นก็หมดปัญหากันไปขามาเกิดเกิดตายตายก็มีแต่ในโลกสมมติเท่านั้นโลกอาจอาจถึงขั้นวิมุตต์แล้วหมดปัญหาท่านถึงถึงนิพพานแล้วหมดปัญหาแม้จะมีธาตุขันธ์อยู่คลาองตัวอยู่ท่านก็ไม่เป็นกังวลวุ่นวาย เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประเภทใดเกิดในท่านในขงังท่านเรียนมาจบแล้วนี่เรียนสัจธรรมไม่เรียนเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บทุกข์ยากลําบากเรื่องตายนี่จะเรียนอะไรรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปหลงความทุกข์ความลําบากในท่านในขงังนี้อย่างไรเพราะเรียนอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วเมื่อถึงการทองมันจะไปไม่ไหวแล้วท่านกับปล่อยเสียเนี่ย หายห่วงปุนเอิม่มหายกังวลหายความรับผิดชอบอหายความรับผิดชอบเป็นความถูกต้องกว่าคําใดๆทั้งหมดว่าหายทางบนท่านไม่ได้มีทางบนหายทุกข์ก็มีแต่เพียงทุกข์ในขันไม่ใช่ทุกข์ในใจท่านหายความรับผิดชอบปุ่นเอิ่มคือท่านรับผิดชอบในขันพาอยู่พาจิ้มพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปมาเยายบททั้งสี่นี้คือความรับผิดชอบเพื่อให้ขันพอได้ ประทางตั้งตัวไปได้สูงบันสืบคืบไปเมื่อถึงการที่จะละปล่อยวางกันแล้วท่านก็ปล่อยได้อย่างสบายหายห่วงเพราะท่านไม่มีห่วงู่แล้วนันเวเนนงววหเหลือแต่ความรับผิดชอบเมื่อเบ็ดปล่อยธาตุขันลงไปแล้วความรับผิดชอบก็หมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นแล้วจะมีอะไรอีกมันก็หมดปัญหา นั่นแหะท่านผู้หมดปัญหาท่านเป็นอย่างไรพวกเรานี่พวกกองปัญหาครังปัญหามันมีหญิงอู้ไม่ทราบร้อยแปดหมืนแปดแสนแปดละมันเป็นอยู่นี้พายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสุขความสบายไม่ได้พราะจิตมันก่อปวนวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเราตามมันไม่ทันท่านตามทั น, ทนหมดถ้าขันยังมีอยู่ ความคิดความปรุงก็ย่อมมีแต่ค้ามคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเชื้อไม่มีเครื่องสนับส น, นุนนั่นก็จักแต่ว่าความคิดคํามปรุงเฉยๆคิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าไม่มีเจ้าของถึงการนี้ก็จะลายไปด้วยกันทั้งสิ่งผู้บริสุทธิ์ก็ไปตามความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นหมดปัญหาที่จะพูดอะไรต่อไปเพราะ มันไม่มีปัญหามากเอนอย่างโลกหนึ่งนนิพานศูนย์หรือโลกไปให้ความหมายไปให้ปัญหาต่อท่านผู้บริสุทธิ์องค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่า น, มนไม่ได้มีปัญหาท่านไม่ได้สงสัยอะไรทั้งนั้นท่านเต็มเตี่ยมด้วยความสมบูรณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วไอ้ไอ้พวกเรานี่พวกเจ้าปัญหานี่ไปหายุ่งที่นิพานแล้วนิพานศูนย์มันศูนย์อย่างนี้ จะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็ไม่สบายแล้วเราพี่เป็นเจ้าปัญหาจะหาความสบายมาจากไหนนว่าหมดกําลังน้ําลายขอตนแล้วก็อยู่ท่านนั้นเองท่านไม่เห็นมีอะไรมันก็มีแต่พวกเจ้าปัญหาเราเป็นยุตไปเป็นผู้ไปริทยาคิจารเรื่องภูมิปัญญาเรื่องไปนเรื่องนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าปัญหาแล้วก็กทุกข์ขึ้นจากปัญหาของตนนั้นหาได้ทราบไหม ท่านเองกู้หมดปัญหาแล้วท่านไม่ได้วินิจฉัยใครควรอะไรต่อไปแล้วเพราะท่านสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่ามายุ่งกับพวกเราพรานจ่นเป็นปิบาตใิให้รู้เห็นอย่างนี้ดูจะเป็นอย่างไงมันก็หมดปัญหาเหมือนกันกิเลนนั่นล่ะพาให้เป็นเจ้าปัญหาถ้าสิ่นั้นหมดแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไป แสดงถังต่อเห็นหมาต่ต้องตรวนดูตุกชนี